ปฐมมอนาคตพยภัยว่าด้วยภายในอนาคตสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่ป่าเมื่อพิจารณาเห็นภัยในอนาคตหประการนี้ไม่ควรเป็นผู้ประมาทมีความเพียรอุทิกายและใจอยู่เพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรุษธรรมที่ยังไม่บรุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้ง ภายในอนาคตห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ป่าพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้เราอยู่ในป่าผู้เดียวงูพึงกัดเราก็ได้แมงป่องพึงต่อยเราก็ได้หรือตะขาบพึงกัดเราก็ได้เพราะเหตุนั้นเราพึงตายเราพึงมีอันตรายนั้นเอาเถอะเราจะปรารบความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรุกธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งภิกษุผู้อยู่ป่าเมื่อพิจารณาเห็นภัยในอนาคตประการที่หนึ่งนี้ควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรุกธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งสอง ภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ป่าพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้เราอยู่ในป่าผู้เดียวเราเมื่ออยู่ในป่าผู้เดียวพึงพลาดหกล้มก็ได้พัฒหารที่เราฉันแล้วไม่พึงย่อยก็ได้ดีของเราพึงกำเริบก็ได้เสมหะของเราพึงกำเริบก็ได้หรือลมมีพิษดังศาสตราของเราพึงกำเริบก็ได้เพราะเหตุนั้น เราพึงตายเราพึงมีอันตรายนั้นเอาเถอะเราจะปรารกความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งภิกษุผู้อยู่ป่าเมื่อพิจารณาเห็นภัยในอนาคตรประการที่สองนี้ควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรผุ้ทธิกายและใจอยู่เพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบ ร, รุธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งทำที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้ง 3. ภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ป่าพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้เราอยู่ในป่าผู้เดียวเมื่อเราอยู่ในป่าผู้เดียวพึงพบสัตว์ ร, ร้ายคือราชสีเสือโคร่งเสือเหลืองมีหรือเสือดาวก็ได้สัตว์เหล่านั้นพึงทาร้ายเราถึงตายก็ได้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 เพื่อบรรุกทำที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําไม่แจ้งทำที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งสภิกษุในธรรมวิในนี้อยู่ป่าพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้เราอยู่ในป่าผู้เดียวเมื่อเราอยู่ในป่าผู้เดียวเราพึงพบคนร้ายผู้ก่อคดีแล้วหรื อ, อยังไม่เดียก่อคดีก็ดกกได้พวกคนร้ายนั้นพึงเปิดชีวิตเราเสียก็ได้เพราะเหตุนั้นเราพึงตาย เราเพื่อมีอันตรายนั้นเอาเถอะเราจะปราศรบความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบ ร, รุษธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําไม่แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งภิกษุผู้อยู่ป่าเมื่อพิจารณาเห็นภายในอนาคตประการที่สี่นี้ควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรภุทิกายและใจอยู่เพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบ ร, รุษธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งทำที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งหภาิสษุในธรรมวินัยนี้อยู่ป่าพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้เราอยู่ในป่าผู้เดียวก็ในป่ามีพวกอมนุษย์ดุร้ายพวกอมนุษย์นั้นพึงปลิดชีวิตเราก็ได้เพราะเหตุนั้นเราเพึงตายเราเพึงมีอันตรายนั้นเอาเถอะเราจะป ร, ะรารกความเพียนเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึง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 ทุติยานาคตาพยาสูตรว่าด้วยภัยในอนาคตสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อพิจารณาเห็นภัยในอนาคตหประการนี้ควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิกายและใจอยู่เพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทาให้แจ้ง ภายในอนาคตห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้เรายังเป็นคนหนุ่มแน่นมีผมดำสนิทประกอบด้วยความเป็นหนุ่มกำลังเจริญดำรงอยู่ในปฐมวัยก็จริงถึงกระนั้นก็ยังมีสมัยที่ชราจะถูกต้องกายนี้ได้การที่บุคคลผู้กแก่ถูกชราครอบงำแล้ว จะมานาสิการถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามิใช่ทําได้ง่ายทั้งจะอาศัยเสยนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบก็มิใช่ทําได้ง่ายก่อนที่ทําซึ่งไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจนั้นจะมาถึงเราเราจะรีบปรารบความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งเสียก่อนทีเดียว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 เรามีอาพาธน้อยมีโรคเบาบางประกอบด้วยไฟท่าสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นนักไม่ร้อนนักปานกลางเหมาะแก่การบาเพ็ญเพียรก็จริงถึงกระนั้นก็ยังมีสมัยที่พญาธิจะถูกต้องกายนี้ได้การที่บุคคลผู้เจ็บไข้ถูกพญาธิครอบงามแล้วจะมนักการถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามิใช่ทําได้ง่าย ทั้งจะอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดเคอป่าโปร่งและป่าทึบก็มิใช่ทำได้ง่ายก่อนที่ทำซึ่งไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจนั้นจะมาถึงเราเราจะรีบปรารกความเพียรเพื่อถึงทำที่ยังไม่ถึงเพื่อบรุษทำที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งทำที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเสียก่อนทีเดียวซึ่งเมื่อเรามีแล้วแม้อาพาธก็จักอยู่สบาย ภิกษุเมื่อพิจารณาเห็นภายในอนาคตประการที่สองนี้ควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุธิกายและใจอยู่เพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรุกธรรมที่ยังไม่บรรุกเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้ง 3. ภิกษุในธรรมวินนี้พิจารณาเห็นดังนี้ว่าบาัดนี้มีภิกษาหาได้ง่ายเข้ากล้าดีบินดบาตได้ง่าย สะดวกแก่การแสวงหาเลี้ยงชีพพ็จริงถึงกระนั้นก็ยังมีสมัยที่พิษสาหายได้ยากเข้ากล้าเสียหายบินดาบได้ยากจึงไม่สะดวกแก่การแสวงหาเลี้ยงชีพเมื่อพิษสาหายได้ยากคนทั้งหลายจึงอพยพไปในที่ที่มีอาหารดีที่นั้นย่อมมีการอยู่ครุกคลีด้วยหมูคนะ่คณะอยู่กันอย่างพลุกพลานเมื่อมีการอยู่คลุกคลีด้วยหมูคนะ่คณะอยู่กันอย่างพลุกพลน การที่จะมณนสิการถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามิใช่ทำได้ง่ายทั้งจะอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดเคือป่าโปรงและป่าทึบก็มิใช่ทำได้ง่ายก่อนที่ทําซึ่งไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจนั้นจะมาถึงเราเอาเถอะเราจะรีบปรารบความเพียงเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทาให้แจ้งเสก่อนทีเดียว ซึ่งเมื่อเรามีแล้วแม้ในสมัยที่มีภิกษาหายได้ยากก็จะอยู่สบายภิกษุเมื่อพิจารณาเห็นภายในอนาคตประการที่สมนี้ควรเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิกกายและใจอยู่เพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทาให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้ง 4. ภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นดังนี้ว่า บัดนี้คนทั้งหลายพร้อมเพรียงกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่ข้อจริงถึงกระนั้นก็ยังมีสมัยที่มีภัยมีความปั่นป่วนในดงประชาชนวุ่นวายเมื่อมีภัยคนทั้งหลายจึงอพยพไปในที่ปลอดภัยที่นั้นย่อมมีการคลุกคลีด้วยหมู่คณะอยู่กันอย่างพลุกพล่าน เมื่อมีการอยู่คลุกคลีด้วยหมู่คณะอยู่กันอย่างพลุกพล่านการที่จะมนัษการถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทาได้ง่ายทั้งจะอาศัยเสนาสนะเงียบสงดคือป่าโปร่งและป่าทึบก็ไม่ใช่ทำได้ง่ายก่อนที่ทําซึ่งไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจนั้นจะมาถึงเราเอาเถอะเราจะรีบปรารบความเพียนเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึง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 หาภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นดังนี้ว่าบัดนี้สงพร้อมเพรียงกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันมีอุเทศที่สวดร่วมกันอยู่พาสุขก็จริงถึงกระนั้นก็ยังมีสมัยที่สงแตกแยกกันเมื่อสงแตกแยกกันแล้วการที่จะมนสษ ก, การถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามิใช่ทาได้ง่าย ทั้งจะอาศัยเสนาสะนะเงียบสงัเคป่าโปร่งและป่าทึบก็ไม่ใช่ทาได้ง่ายก่อนที่ทำซึ่งไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจนั้นจะมาถึงเราเอาเถอะเราจะรีบประรบความเพียรเพื่อถึงทำที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุทำที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งทำที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเสียก่อนทีเดียวซึ่งเมื่อเรามีแล้วแม้ในเมื่อสงแตกแยกกัน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 ปิยาอนาคตาพยสูตรว่าด้วยภายในอนาคตสูตรที่สภิกษุทั้งหลายภายในอนาคต5ประการนี้ยังไม่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่จะเกิดขึ้นในการต่อไปภัยเหล่านั้นเธอทั้งหลายพึงรับรู้ไว้และพึงพยายามเพื่อละภัยเหล่านั้นเสียภายในอนาคต5ประการอะไรบ้างคือ 1. ในอนาคต มูภิกษุจกไม่เจริญกายไม่เจริญศีลไม่เจริญจิตไม่เจริญปัญญาเมื่อไม่เจริญกายไม่เจริญศีลไม่เจริญจิตไม่เจริญปัญญาให้คุรบุตรเหล่าอื่นอุปสมบทก็จะไม่สามารถแนะนำคุรบุตรเหล่านั้นในอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาได้แม้คุรบุตรเหล่านั้นก็จะไม่เจริญกายไม่เจริญศีลไม่เจริญจิตไม่เจริญปัญญา เมื่อไม่เจริญกายไม่เจริญศีลไม่เจริญจิตไม่เจริญปัญญาให้คุณบุตรเหล่าเอิญอุปสมบทอีก <c oughs> ก็จะไม่สามารถแนะนำคุณบุตรเหล่านั้นในอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาได้ถึงคุณบุตรเหล่านั้นก็จะไม่เจริญกายไม่เจริญศีลไม่เจริญจิตไม่เจริญปัญญาโดยในนี้แหลเพราะทำเ ล, เลือนวินัยจึงเ ล, เลือน เพราะวินัยเลอะเลือนทำจึงเลอะเลือนภายในอนาคตประการที่หนึ่งนี้ซึ่งยังไม่เกิดขึ้นในบัดนี้แต่จะเกิดขึ้นในการต่อไปภัยนั้นเธอทั้งหลายพึ่งรับรู้ไว้และพึ่งพยายามเพื่อละภัยนั้นเสีย2ในอนาคตมูพิกสุจะไม่เจริญกายไม่เจริญศีลไม่เจริญจิตไม่เจริญปัญญาเมื่อไม่เจริญกายไม่เจริญศีลไม่เจริญจิต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 ก็จะไม่สามารถแนะนากุลบุตรเหล่านั้นในอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาได้ถึงกุลบุตรเหล่านั้นก็จะไม่เจริญกายไม่เจริญศีลไม่เจริญจิตไม่เจริญปัญญาโดยในนี้แหลเพราะทำเลเลื่อนวินัยจึงเ ล, เลือนเพราะวินัยเ ล, เลือนทำจึงเลเลือนภายในอนาคตประการที่สองนี้ซึ่งยังไม่เกิดขึ้นในบัดนี้แต่จะเกิดขึ้นในการต่อไป ภัยนั้นเธอทั้งหลายพึงรับรู้ไว้และพึงพยายามเพื่อละภัยนั้นเสีย 3. ในอนาคตมูภิกษุจะไม่เจริญกายไม่เจริญศีลไม่เจริญจิตไม่เจริญปัญญาเมื่อไม่เจริญกายไม่เจริญศีลไม่เจริญจิตไม่เจริญปัญญาแสดงอภิธรรมกถาเวทันลกถาถลำลงสู่ธรรมดำก็จกไม่รู้ตัวโดยในนี่แล เพราะทำเลเลือนวินัยจึงเลเลือนเพราะวินัยเลเลือนธรรมจึงเลเลือนภายในอนาคตประการที่สนี้ซึ่งยังไม่เกิดขึ้นในบัดนี้แต่จะเกิดขึ้นในการต่อไปภัยนั้นเธอทั้งหลายพึงรับรู้ไวและพึงพยายามเพื่อละภัยนั้นเสีย 4. ในอนาคตมูภิกษุจะไม่เจริญกายไม่เจริญศีลไม่เจริญจิตไม่เจริญปัญญา เมื่อผู้อื่นกล่าวสูตรที่ตถาคตตรัสไว้ล้าลึกมีเนื้อความลึกซึ้งเป็นโลกุตระธรรมประกอบด้วยความว่างภิกษุเหล่านั้นไม่ตั้งใจฟังด้วยดีไม่เงียโสโสดับไม่ตั้งใจไฝ่รู้และไม่ให้ความสำคัญทาว่าควรเรียนควรท่องจำให้ขึ้นใจแต่เมื่อผู้อื่นกล่าวสูตรที่ท่านผู้เชี่ยวชาญได้รจนาไว้เป็นบทโกวีมีอักษรวิจิตมีพยัญชนะวิจิต อยู่ภายนอกเป็นสาวกภาสิทธิ์ภิกษุเหล่านั้นกลับตั้งใจฟังด้วยดีเงี่ยโศสดับตั้งใจใฝ่รู้และให้ความสำคัญทาว่าควรเรียนควรท่องจำให้ขึ้นใจโดยในนี่แหลเพราะทาเลเลือนวินัยจึงเลเลือนเพราะวินัยเลเลือนธรรมจึงเลเลือนภายในอนาคตประการที่สีน่นี้ซึ่งยังไม่เกิดขึ้นในบัดนี้แต่จะเกิดขึ้นในการต่อไป ภัยนั้นเธอทั้งหลายเพึ่งรับรู้ไว้และเพึ่งพยายามเพื่อละภัยนั้นเสีย 5. ในอนาคตมูภิกษุจะไม่เจริญกายไม่เจริญศีลไม่เจริญจิตไม่เจริญปัญญาเมื่อไม่เจริญกายไม่เจริญศีลไม่เจริญจิตไม่เจริญปัญญาภิกษุผู้เทระก็จกเป็นผู้มากๆเป็นผู้ย่อหย่อนเป็นผู้นำในโอกรรมณธรรมทอทุระในปวิเวก จกไม่ปรารกความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งหมู่คนรุ่นหลังก็จะพากันตามอย่างพวกภิกษุเถระเหล่านั้นแม้หมู่คนรุ่นหลังนั้นก็จะเป็นผู้มากๆเป็นผู้ย่อหย่อนเป็นผู้นำในอกมณธรรมทอดทุระในปวิเวกจะไม่ปรารกความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพื่อบรุษทำที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งทำที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งโดยในนี้แลเพราะทำเละเลือนวินัยจึงเ ล, เลือนเพราะวินัยเ ล, เลือนธรรมจึงเ ล, เลือนภายในอนาคตประการที่ห้านี้ซึ่งยังไม่เกิดขึ้นในบัดนี้แต่จะเกิดขึ้นในการต่อไปภัยนั้นเธอทั้งหลายเพิงรับรู้ไว้และพึงพยายามเพื่อละภัยนั้นเสียภิกษุทั้งหลาย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 10. บจตุธาอนาคตะพยะสูตรว่าด้วยภัยในอนาคตสูตรที่สภิกษุทั้งหลายภัยในอนาคตหประการนี้ซึ่งยังไม่เกิดขึ้นในบัดนี้แต่จะเกิดขึ้นในการต่อไปภัยเหล่านั้นเธอทั้งหลายพึงรับรู้ไวและพึงพยายามเพื่อละภัยเหล่านั้นเสียภัยในอนาคตหประการอะไรบ้างคือหนึ่ง ในอนาคตหมู่ภิกษุจะเป็นผู้ชอบจีวรที่สวยงามเมื่อชอบจีวรที่สวยงามก็จะละความเป็นผู้ทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดจกละเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบไปรวมกันอยู่ที่หมู่บ้านนิคมและเมืองหลวงและจากถึงการแสวงหาที่ไม่สมควรไม่เหมาะสมหลายอย่างเพราะจีวรเป็นเหตุภายในอนาคตประการที่หนึ่งนี้ ยังไม่เกิดขึ้นในบัดนี้แต่จะเกิดขึ้นในการต่อไปภัยนั้นเธอทั้งหลายพึงรับรู้ไว้และพึงพยายามเพื่อละภัยนั้นเสีย 2. ในอนาคตหมู่ภิกษุจะเป็นผู้ชอบบิณฑบาต ท, ที่มีรสอร่อยเมื่อชอบบิณฑบาต ท, ที่มีรสอร่อยอก็จะละความเป็นผู้เถรเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดจกละเสนาสนะอันเงียบส ง, งดเคือป่าโปรงและป่าทึบ ไปรวมกันอยู่ที่หมู่บ้านนิคมและเมืองหลวงสแสวงหาบินทบาทที่มีรสเลิศอร่อยและจากถึงการสแสวงหาที่ไม่สมควรไม่เหมาะสมหลายอย่างเพราะบิณทบาตเป็นเหตุภายในอนาคตประการที่สองนี้ยังไม่เกิดขึ้นในบัดนี้แต่จะเกิดขึ้นในการต่อไปภายนั้นเธอทั้งหลายพึงรับรู้ไว้และพึงพยายามเพื่อละภัยนั้นเสีย 3. ในอนาคต โมภิกษุจากเป็นผู้ชอบเสนาสนะที่สวยงามเมื่อชอบเสนาสนะที่สวยงามก็จะละการอยู่ป่าเป็นวัดจกละเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าปโปร่งและป่าทึบไปรวมกันอยู่ที่หมู่บ้านนิคมและเมืองหลวงและจากถึงการสแสวงหาที่ไม่สมควรไม่เหมาะสมหลายอย่างเพราะเสนาสนะเป็นเหตุภายในอนาคตประการที่สามนี้ยังไม่เกิดขึ้นในบัดนี้ แต่จะเกิดขึ้นในการต่อไปภัยนั้นเธอทั้งหลายพึงรับรู้ไว้และพึงพยายามเพื่อละภัยนั้นเสีย 4. ในอนาคตโมูภิกษุจะอยู่คลุกคลีกับภิกษุณีนางสิขมานาและเหล่าสามนเณรเมื่ออยู่คลุกคลีกับภิกษุณีนางสิขมานาและเหล่าสามนเณรก็พึงหวังข้อนี้ได้ว่าเธอเหล่านั้นจะไม่ยินดีประพฤหบดีจันทร์ จกต้องอาบัตเศร้ามองบางอย่างหรือจกบอกคืนสิกขากลับมาเป็นครหัดภายในอนาคตประการที่สีน่นี้ยังไม่เกิดขึ้นในบัดนี้แต่จะเกิดขึ้นในการต่อไปภัยนั้นเธอทั้งหลายพึงรับรู้ไว้และพึงพยายามเพื่อละภัยนั้นเสีย 5. ในอนาคตมูภิกษุจะอยู่คลุกคลี ก, กับพวกคนวัดและเหล่าสามเณร เมื่ออยู่คลุกคลีกับพวกคนวัดและเหล่าสามเณรก็พึงหวังข้อนี้ได้ว่าเธอเหล่านั้นจากบริโภคของที่สะสมไว้หลายอย่างจากทานิมิตอย่างหยาบไว้ที่แผ่นดินบ้างที่ปลายของเขียวบ้างภายในอนาคตประการที่ห้านี้ยังไม่เกิดขึ้นในบัดนี้แต่จะเกิดขึ้นในการต่อไปภายนั้นเธอทั้งหลายพึงรับรู้ไวและพึงพยายามเพื่อละภัยนั้นเสีย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 สทุติยเจโตวิมุติผ ล, ลสูตร 3. ปฐธมมธรรมวิหารีสูตร 4. ทุติยธรรมวิหารีสูตร 5. ปฐมมโยธาชีวสูตร 6. ทุติยโยธาชีวสูตร 7. จ็อนาคตะพยะสูตร 8. ทุติยอนาคตะพยะสูตร 9. ตติยอนาคตะพยะสูตร สิบจตุธาอนาคตะพยสูตร 4. เทระวักหมวดว่าด้วยธรรมของพระเทระ 1. รัชนียสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้กำนัด พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เถระประกอบด้วยธรรมห้าประการย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่เคารพและไม่เป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายธรรมห้าประการอะไรบ้างคือ 1. นึ่กำหนัดในสิ่งที่เป็นเหตุให้กำหนัด 2. ขัดเคืองในสิ่งที่เป็นเหตุให้ขัดเคือง3หลงในสิ่งที่เป็นเหตุให้หลง สโกรธในสิ่งที่เป็นเหตุให้โกรธ 5. มัวเมาในสิ่งที่เป็นเหตุให้มัวเมาภิกษุผู้เทระประกอบด้วยธรรมหประการนี้แหลย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่เคารพและไม่เป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายภิกษุผู้เทระประกอบด้วยธรรมห้าประการย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพ และเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทํา5ประการอะไรบ้างคือ 1. นึ่งไม่กำหนดในสิ่งที่เป็นเหตุให้กำหนด 2. ไม่ขัดเคืองในสิ่งที่เป็นเหตุให้ขัดเคืองสามไม่หลงในสิ่งที่เป็นเหตุให้หลง 4. ไม่โกรธในสิ่งที่เป็นเหตุให้โกรธ 5. ไม่มัวเมาในสิ่งที่เป็นเหตุให้มัวเมาภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้เทระประกอบด้วยธรรมหประการนี้แลย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพและเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายรัชยนิยสูตรที่หนึ่งจบสง วิตราคาสูตรว่าด้วยธรรมของผู้ปราศจากราคะภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เทระประกอบด้วยธรรมประการย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่เคารพและไม่เป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายธรรมประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้ไม่ปราศจากราคะ 2. เป็นผู้ไม่ปราศจากโทสะ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 และเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรมจารีทั้งหลายทำห้าประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้ปราศจากราคะ 2. เป็นผู้ปราศจากโทสะ 3. เป็นผู้ปราศจากโมหะ 4. เป็นผู้ไม่ลบหลูคุณท่าน 5. เป็นผู้ไม่ตีเสมอภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เถระประกอบด้วยทำห้าประการนี้แลย่อมเป็นที่รัก เป็นที่พอใจเป็นที่เคารพและเป็นที่ยกย่องของเพื่อนโพรมจารีทั้งหลายวีตราคสูตรที่สองจบ 3. กุหกะสูตรว่าด้วยผู้หลอกลวง ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เถระประกอบด้วยทำห้ประการย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่เคารพและไม่เป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทำห้ประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้หลอกลวง 2. เป็นผู้พูดป้อยอ 3. เป็นผู้ทำนิมิต 4. เป็นผู้พูดบีบบังคับ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 ทำหประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้ไม่หลอกลวง 2. เป็นผู้ไม่พูดป้อยอ 3. เป็นผู้ไม่ทำนิมิต 4. เป็นผู้ไม่พูดบีบบังคับ 5. เป็นผู้ไม่แสวงหาลาบด้วยลาบภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เถระประกอบด้วยทำรม5ประการนี้แลย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพ และเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรมจารีทั้งหลายกุหกะสูตรที่สจบสี 4. อัสัทธสูตรว่าด้วยภิกษุผู้ไม่มีศรัทธาภิกษุทั้งหลาย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 ภิกษุผู้เถระประกอบด้วยธรรมหประการนี้แลย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่เคารพและไม่เป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจรีทั้งหลายภิกษุผู้เถระประกอบด้วยธรรมห้าประการย่อมเป็นที่รักปเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพและเป็นท im. ี่ยกย่องของเพื่อนพรหมจรีทั้งหลายธรรมห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งเป็นผู้มีศรัทธา สองเป็นผู้มีหิริสามเป็นผู้มีโอตปะสี่เป็นผู้ปรารบความเพียรห้าเป็นผู้มีปัญญาภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เทระประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แลย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพและเป็นที่ยกย่องของเพื่อนโรมจารีทั้งหลายอสัทสูที่สจบ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 3เป็นผู้ไม่อดทนต่อกลิ่น 4. เป็นผู้ไม่อดทนต่อรถ 5. เป็นผู้ไม่อดทนต่อผลเถรภะภิกษุผู้เถระประกอบด้วยธรรมหประการนี้แลย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่เคารพและไม่เป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายภิกษุผู้เถระประกอบด้วยธรรมหประการย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพ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 เป็นที่เคารพและเป็นที่ยกย่องของเพื่อนโรมจารีทั้งหลายอัคคมะสูตรที่หจบ 6. ปฏิสัมพิทาปตสูตรว่าด้วยภิกษุผู้บรรลุปฏิสัมพิทา ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เถระประกอบด้วยธรรมหประการย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพและเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจรีทั้งหลายธรรมห้าประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้บรรลุอัฏฐปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในอัตต์ 2. เป็นผู้บรรลุธรรมปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในธรรม 3. เป็นผู้บรรลุนิรุตติปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในนิรุตติ 4. เป็นผู้บรรลุปฏิพานปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในปฏิพานห้ 5. เป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในการงานที่จะต้องช่วยกันทําทั้งงานสูงและงานต่ําของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณา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 ที่พร้อมด้วยอาจาระมารยาทและโคจรการเที่ยวไปมีปกติเห็นไยในโทษแม้เล็กน้อยสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย 2. เป็นพหูสูตรทรงสุตตะสังสมสุตตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมทั้งหลายที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏะและพยัญชนะ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 ได้โดยไม่ลำบากทําทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสะวะเพราะอาสะวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เทระประกอบด้วยธรรมห้าประการนิแลย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพและเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายสีลวันตสูตรที่เจดจบ